จุดป่าดังนกในสมัยนั้นบรรดาลวันหนึ่งตกกลางฤดูเดือนสี่ลมพัดตึงๆใกล้จะหมดฤดูหนาวข้าพเจ้าไปบินธบาติกุฏิเป็นกุฏิฟางมุงยากกั้นป่าปูฟ้าจุดตะเกียงเล็กๆไว้เป็นตะเกียงโป๊ะเล็กๆ ล, ลมพัดก็พัดเข้ามาที่ตรงตะเกียงนั้นเองข้าพเจ้าไปบินธบาตกับหมู่เพื่อนกลับคืนมาแล้วเอาผ้าไปตากไว้สร้างกุฏิแล้วก็ห่มผ้ามาฉันจังหัน ลมมันพัดจับฉลอยตะเกียงมันจะลมเราลืมดับมันมันไม่กุฏิลุกขึ้นพลึกเดียวอย่างรวดเร็วผ้าทิ่ตากอยู่นั้นก็ไม่หมดมุงก็ไม่หมดกดก็ไม่หมดใบสุทีก็ไม่มีดโกนมีดพับไม่เสร็จเรียบร้อยไปเอาก็ไม่ทันไม่มีเวลาที่จะทันลุกขึ้นรวดเร็วทีเดียวหลวงปู่มหาหัวล็อแล้วท่านพูดว่าบุพกรรมของคนเหล่านี้ผิดกรรมแท้ๆเหลือแต่ผ้าติตัว นอกนั้นไม่หมดเลยเจ้าของนึกขึ้นได้เลยไม่พูดให้ท่านฟังนึกเห็นตัวเองไปจุดป่าดักบางคือเครื่องมือจับนกชนิดหนึ่งในสมัยนั้นอายุสิบห้าปีไปจุดป่ากลางโคกกลางลงไปดักบางบานวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อก่อนเขาหยุดเรียนตามวันพระเพราะไปเข้าโรงเรียนในโงรงคาที่เรียกว่าหัวแจกโงรงํานั้นเรียกตามภาษาบ้านนอกโรงเรียนจึงหยุดวันพระ ไม่ได้หยุดตามวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปจุดป่าถ้าวันไหนไม่ไปวิทยน้ำเอาปลาก็ไปจุดป่าดักนกตามโคกตามลงพอจุดป่าแล้วนกขาบมันลองแจวแจ้วแล้วก็บินมาจุดเวียนที่ดักตังบานไว้มันคงจะมาจับต้นนั้นต้นนี้กับมังก็ต้องไปดักไว้ตรงนั้นบางศีลก็ได้ศีนตัวห้าตัวบางศีลก็มามือเปล่าศีนนี้คือหมายถึงวันพระบางศีลก็ไฟไหม้ถูกตังบาน ไฟมันก็ไหม้ไปตามโคกตามนาทั่วที่ทั่วแดนไม่ตามโคกตามลงเพราะเมื่อก่อนมันห่างทางวันสองวันถึงจะมีโรงนาสักหลังหนึ่งที่ไม่ดีไม่มีด้วยซ้ำเพราะโคกมันกว้างทุกวันนี้ไปจุดอย่างนั้นไม่ได้แล้วถ้าหากไปจุดอย่างนั้นก็คงมีหวังได้เข้าตารางเพราะทุกวันนี้ที่ไหนไหนก็มีแต่บ้านจะเรือนมีแต่ไร่นาเขาหมดถ้าพระเจ้ามาคิดเห็นบุพกรรมวันที่จุดป่านั้น มันตามมาชาตินี้ทีเดียวอยู่ต่อมาวันหนึ่งคุณแม่แก้วหรือแม่ชีแก้วเสียงลำท่านเห็นไฟไหม้ท่านก็หาอุบายเอาบริขารมาบังสุกุลชวนญาติพี่น้องของท่านมาบังสุกุลหลวงปู่มหาก็เห็นว่ามันได้วาละของท่าพเจ้าแล้วบริขาร น, นั้นก็ขาดคุณแม่แก้วคงจะหาอุบายถ่ายให้จึงได้มาบังสุกุลให้เราผ้าไม้หนึ่งตลอดถึงมีดโกนพร้อม ส่วนใบสุทธินั้นได้ไปเปลี่ยนใหม่ได้ไปเอากับเจ้าคุณมุกดาหารโมลีหลวงปู่มหาเซ็นรับรองให้ท่านก็เลยมาตัดกีวรและสบงให้หมู่เพื่อนทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์ก็เกิดสลดสังเวชก็มีหลวงปู่มหาหัวเราะแล้วท่านว่าบุพรกรรมของคนเรานั้นต่างกันของไทยของมันถึงคราวมาถึงแล้วก็ต้องสู้เอาท่านก็พูดเป็นธรรมอยู่เท่าที่สังเกต ด, ดู มันเป็นบุพกรรมของเจ้าของที่เคยได้จุดป่าจุดเมืองมันมาเห็นกับชาตินี้ทีเดียวการจุดป่าจุดเมืองนี้ถึงแม้จะไม่ให้ไม่ไล่นาเขาแต่มดแดงมดน้อยมันก็ตายกันเป็นทีวแถวไปพอถึงสองสีเก้าแปดออกพรรษาแล้วจีวรการเสร็จแล้วองค์ท่านจะได้ไปเอามารดาบวชเขาองค์ท่านก็คิดละหวนวนไปมาว่าถ้าบวชแล้วจะเอายมมารดามาอยู่ห้วยใส คุณแม่ชีแก่ๆอายุก็มากตลอดทั้งหนุ่มก็มีอยู่มากแล้วเกรงจะมาทักผมให้เป็นภาระหนักขึ้นแก่ผู้ที่ท่านบวชก่อนเพราะเป็นโยมมานดาของผู้เป็นเจ้าอาวาสก็ต้องจะได้ให้เกียรติให้คุณเป็นพิเศษเกรงจะหนักใจแก่ท่านผู้มีอายุมากและพร้อมทั้งบวชก่อนจึงตกลงใจว่าบวชโยมมานดาแล้วจำจะหาที่อยู่ใหม่องค์ท่านจึงปรึกษ า, ากับคณะสงฆ์ว่า ผมจะได้ไปบวชโยมมารดาส่วนจะกลับมานั้นบอกไม่ถูกเสียแล้วส่วนที่จะไปกับผมนั้นจะไปหมดก็ไม่ถูกเวลาอยู่เราก็แย่งกันอยู่เวลาไปเราก็แย่งกันไปมันก็เป็นเรื่องไม่ดีไม่งามแกฝ่ายปฏิบัติจะเสีอวงตระกูลฝ่ายปฏิบัติฉะนั้นขอให้คุณสมโกกนุษโทจงพาหมู่อยู่นี่บ้างในรรษาต่อไปนี้ทีนี้ส่วนผู้ที่จะไปกับผมคนนั้น คนนี้ผมก็ไม่ว่าส่วนจะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันถ้าไปกับผมมากก็ลําบากอีกเพราะไม่ทราบว่าจะได้อยู่ที่ใดแน่จึงเป็นของน่าควนคิดมากแท้แท้ในเรื่องนี้วิเวศผูกเก่าฝ่ายข้าพระเจ้านึกในใจทวนไปมารอบๆด้านสารพักว่าการไปคราวเดียวกันหลายๆองค์ยังไม่ได้ที่พักที่อยู่นี้ได้เจอมาแล้วในคราวไปภูเก็ตพังงาเดี๋ยวนี้ ตกอยู่ในระหว่างไม่สะดวกอีกละอยู่ก็ไม่สะดวกไปก็ไม่สะดวกและอายุของเราก็เข้าเกณฑ์สี่สิบแล้วเราจำพรรษาอยู่นี่อีกปีหนึ่งเป็นหมู่ท่านอาจารย์สมเสียก่อนเราจึงยกธงตั้งใจไปองค์เดียวที่ภูเก้าตกลงใจได้แล้วก็อยู่ต่อแต่ไม่พูดให้ท่านผู้ใดฟังแล้วองค์ท่านพระอาจารย์มหาก็เตรียมตัวไปพักอยู่มุกดาหารหมู่เพื่อนก็ทยอยไปอีก ยังเหลืออยู่หกองค์เท่านั้นแล้วองค์พระอาจารย์มหาก็ไปบวชโยมมานดาที่อุดรแล้วลงไปจันท บ, บุรีไปตั้งวัดอยู่ใกล้สามแยกสีพริว้วคณะญาติอาจารย์เจี๊ยถวายที่ดินให้ออกพรรษาแล้วโยมมานดาขององค์ท่านชวนกลับแล้วไปตั้งวัดอยู่บ้านตากในปัจจุบันนี้ส่วนข้าพเจ้าจำพรรษาอยู่กับทูบาสมวัดป่าบ้านห้วยทายอีกพรรษาหนึ่งจึงรวมเป็นอยู่ที่นั้นสี่ปี มีพะระหกลูกเสร็จกระถินแล้วเสร็จจีวรการแล้วเดือนพฤศจิกายนข้างแหลมก็ลาคูบาสมและญาติโยมไปพักภูเก้ามูลข่าบาทเดียวก็มิให้โยมส่งเอาไม้ขีดไปไปห้ากราบเท่านั้นบริขารก็ตัดออกเอาแต่พอดีท่านได้อยู่ภูเก้าองค์เดียวห้าเดือนก็มีโยมพ่อตันไปบวชเป็นป่าขาวด้วยใกล้จะเข้าพรรษาก็มีโยมเข้าไปบวชเป็นป่ขาวอีกเมื่อมีป่ขาวมาแล้ว ก็ได้ตั้งกฎไว้ว่าอย่าไปห่งต้มอาหารใดๆเลยบินขบบาดมาเลี้ยงกันตามบุญตามกรรมตามธรรมาชาติเห็ดก็ดีหน่อไม้ก็ดีไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเราออกจากครูบาอาจารย์มาใหม่ๆชาวโลกที่อยู่ใกล้ก็จะมองไปในแง่ลายว่าออกมาจากครูบาอาจารย์มาไม่กี่วันก็มาแอบกินกับตาปลาขาวห่งต้มหน่อไม้และแกงเห็ดแกงหากินตะปืดปีนเกี่ยวมาก ส่วนบาดนั้นอาตมาจะล่างเองตากเองพวกฝ่าขาวเท่าสองคนให้พากันปัดกวาดสาลาและล่างขาดตอนฉันเสร็จส่วนตราดนั้นช่วยกันทุกๆุกคนลงไปจนถึงบ่อน้ําทุกวันส่วนรับบาดนั้นให้เปลี่ยนกันไปรับวันหนึ่งคนหนึ่งผัดกันอาตมามีได้มอบบาดให้หมดคือให้สามตะกา้าทําเป็นสายสะพายหรือหาบคอนเอาเข้าวและอาหารในบาดจะแบ่งออกให้สองส่วน เหลือไว้ในบาทส่วนหนึ่งอัตมาก็จะสะพายเองแบ่งเบากันจึงจะไม่หนักมากส่วนเวลาฉันเราจึงตรวจดูกันอีกว่าใครได้อะไรไม่ได้อะไรเท่าที่ได้มาแต่ละวันอันบริสุทธ์ตกในบาทแล้วส่วนผมนั้นต้องคนหมดทุกคนนุ่งขาวส่วนเงินที่ได้มาทีละห้าบาท6กบาทนั้นให้ชาวบ้านเก็บเอาไว้คือพ่อบีพ่อแหลมไม่ให้มีอยู่ในตัวสักตังเลย ไห้ตั้งใจภาวนาข้าพเจ้ายังไม่จริงการตักน้ําเลยยังหาบคอนอยู่โชคจนเสือเสือเสือเสืสสกว า, าดตาอยู่ใกล้ๆมันก็มาลองอยู่สบายใกล้ๆได้ยินเสียงกวาดอยู่มันก็ไม่กลัวลิงมีตั้งหงละร้อยตัวมันก็ไม่กลัวเลยงูใหญ่ได้ยินแต่เขาว่ามันอยู่ในรูหินลึกตามรอยหินแตกแต่งูเล็กขนาดแขนหรือเล็กกว่านั้นมีมากในฤดูฝนมันออกมา ตกตูมลงมาจากหน้าผาบ่อยๆเขาว่ามีเปรตมีผีแต่ไม่ปรากฏเห็นไม่เหมือนถ้ำพระเวชนาแก่ขณะที่อยู่ภูเก้านี้ได้เป็นไข้ั่วยอยู่ห้าหกวันขณะที่อยู่องค์เดียวตอนที่ยังไม่มีตาปะเขาไปบินทบบาดไม่ได้สามสี่วันอาเจียนออกมานายจูเที่ยวไปส่งอาหารแต่ไม่ให้นอนเป่าโยมพ่อแหลมแม่แหลมมีศีนาเป็นประจาพ่อบีแม่บี ก็มีศีลห้าเป็นบางวาละบ้านโคกกลางทุกๆ ท, ท่านก็พอเป็นไปบ้านเหล่าบ้านหลุกบื้อบ้านแหวงสายของแม่ตานพ่อตานย่ า, ยาเขี้ยวแม่มุยย่าเขี้ยวเป็นนายหน้าในวงนี้พ่อทองเขียนแม่ออกสร้อยพ่อออกอาจารย์พันเป็นต้นเป็นกลุ่มบ้านเหล่าพ่อออกขุนอินแม่ออกแพงเป็นกลุ่มบ้านหลุกฟึ้งโยมบ้านโคกกลางแม่ใจครูอุ่นผู้ใหญ่ทอง นายกระสินนายสีนักธรรมเอกแม่ซุยต่างก็ได้ให้บินกบาดและอะไรอะไรตามสามารถแต่ละท่านแต่ละท่านและก็พอออกแพงไม่ออกแพงและนางแพงเล่าก็เป็นวงสำคัญอีกวงหนึ่งในโค้กลางแต่ขออภัยที่ไม่ได้ลงชื่อหมดคือเอาแบบรวบลัดจะออกชื่อหรือไม่ออกชื่อก็ตามเมื่อทำดีแล้วผลของการทาดีย่อมไม่ได้ตอนเ่าขคายากเหมือนโคและกระบือ ผลของความดีความชั่วย่ำเข้ามาเองสู่ครอบใจไม่ยากการพักปฏิบัติธรรมอยู่ภูเขาลูกมีก็อัตคัดทางน้ำบ้างชะลอยจะเป็นด้วยมิได้สร้างบา ร, รมีที่เกี่ยวกับน้ำมาแต่พบก่อนก่อนก็อาจเป็นได้และคงเป็นผลของกรรมในปัจจุบั น, นชาติเมื่ออยู่คลาวาสได้ไถน้ำและวิตน้ำออกจากห้วยหนองคลองบึงต่างๆเพื่อเก็บเอาตัวปลามาบูชาพญาลิน พยาทองพยาไส้ก็อาจเป็นได้หรือด้วยทางขุดน้ำบอกก่อสาลาไม่ค่อยเอาใจใส่หรือว่าเป็นงานไม่สำคัญก็เลยได้รับอานิสงส์จำเป็นไม่สะดวกในทางน้ำและเสนาสนะเสียแต่ก็สมน้ำหน้าที่ตนสร้างไว้ไม่ดีจึงเป็นผู้มีราบน้อยโดยประการทั้งปวงมีได้เอาราบไปพระนิพพานก็จริงแต่ปัจจัยสี่เป็นรากทางอนุาสาทของพระวิัย เพื่อเป็นเครื่องอาศัยของบรรพจิตเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้สะดวกให้เจริญได้ถึงแม้จะสอนมิให้ติดอยู่ในปัจจัยสี่ก็จริงแต่ก็ต้องได้อาศัยที่มีมาโดยเป็นธรรมอยู่มีน้อยก็ได้อาศัยน้อยมีมากก็ได้อาศัยมากจะประมาทก็ไม่ได้อีกเมื่อเห็นท่านผู้มีลาบมากได้มาโดยเป็นธรรมก็มีความลิษยาเสียเห็นท่านผู้มีลาบน้อยแต่ได้มาโดยเป็นธรรมก็ดูถูกว่า เป็นผู้มีลาบน้อยกว่าตนเมื่อผ่านพบเขาข่อถือตัวขี้โอไม่อยากพูดอยากถามด้วยเป็นเรื่องที่ไม่รู้จักลาบั้งนั้นเพราะหลงลาบหลงยศและไม่เป็นผู้รู้ธรรมด้วยเป็นผู้ไม่ถึงธรรมด้วยเป็นผู้ไกลพันิพานด้วยมักจะเห็นอยู่เป็นส่วนมากพักอยู่ภูเก้ามีได้มีเวลาปฏิบัติพอควรฉันเช้าเสร็จเก็บบริขารเรียบร้ อ, กอยก็ได้เดินจงกรมจนถึงเที่ยงวัน ภาวนาติดต่อไม่ขาดวักขาดตอนแม้กวาดลานวัดก็ภาวนาพร้อมกันกับความเคลื่อนไหวของกายที่กําลังกวาดที่เงื่อมือกวาดไปกวาดมาก้าวขาไปมาก็ภาวนาพร้อมเวลาลงไปตัดน้ําบ่อหินไกลจากที่พัดประมาณสิบห้าเซนได้เอาครุหรือปี๊บไปวางไว้พร้อมทั้งไม้ก่อนน้าประมาณสิบห้าวาแล้วจิงคืนกลับมากวาดไปจนถึงที่วางปิ๊บไว้กับไม้ก่อนน้ํา แล้ววางตรากไว้ที่นั้นแล้วเอาปีบกับไม้ก่อนน้ําไปวางไว้ที่ข้างหน้าเป็นระยะระยะจนถึงบ่อหินส่งน้ําแล้วตักน้ําแล้วคอนน้หาห่านน้าเอาตรากคือไม้กวาดขึ้นข้างบนมารวมกันกับไม้ก่อนนาค่อยปีนขึ้นตามทางที่กวาดแล้วมาหาที่พักประจําเวลาบ่ายสามโมงทุกวันส่วนบริเวณที่พักก็กวาดทุกวันเหมือนกันสมัยทุกวันนี้ถือกันว่า วาสนามากกว่าคนชุดเก่าก่อนน้ำจะเปิดก๊อกที่ไหนมันก็ไหลได้ทั้งนั้นกลางป่าก็สนุกนอนลุกขึ้นแล้วก็ขบขามป้อมสมอกอ บ, กอบตลอดถึงเครื่องลืมอะไรอะไรก็ไม่อดทันสมัยมากโทรทัศน์พัดลมลดรถแลนด์รถเบนโตโยตา้าดับสันทันสมัยทุกประการอากาศของท่าดีมากอากาศก็เลยเกิดกลายเป็นไปเป้าอากาศทวานหนักทวานเบาเขาเป็นส่วนมากผู้เขียน เขียนไว้เตือนตนต่างหากท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังอย่าโกรธเนื้อถ้าจะเอาโกรธไปพระนิพพานด้วยก็จงหาบจงแบกเอาไปให้พอใจเพราะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขอกับใครๆเป็นของทิพแบบสดสดลอนลอนถ้าผู้เขียนกิเลสมากผู้อ่านผู้ฟังก็จงหัวเลาะยออเอาเถิองถ้าถูกก็มอบไว้กับมักและนิโรธเสียถ้าผิดก็มอบไว้กับทุกข์และสมุทัยไม่เป็นหน้าที่ของผู้เขียนและท่านผู้อ่านท่านผู้ฟัง ท่านผู้พิจารณาจะไปเป็นสงครามความเห็นความลู้กับปัญหาเสียสมองเป็นปัญหาเสียสติเสียปัญญาเสียใจเสียธรรมแต่ละลายของเจ้าตัวเองรัติพิสดังสมัยข้าพเจ้าอยู่ภูเก้าเบื้องตนข้าพเจ้าอยู่องค์เดียวห้าเดือนนั้นได้มียวนคนหนึ่งขึ้นไปหาข้าพเจ้าอายุ ป, ประมาณสามสิบปีเป็นคนรูปร่างขนาดใหงในสมัยนั้นเขามาหาถ่ายรูป เขาเลยขึ้นไปหาข้าพเจ้าเมื่อขึ้นไปหาแล้วจึงชักชวนข้าพเจ้าว่ายาคูยาคูจะพูดอันหนึ่งให้ฟังจะเอาไหมข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าเออเอาไม่เอาก็ขอให้จงพูดไปเสียก่อนอย่าเพิ่งรีบเร่งมาข่มเหงกันนักให้อัตมาฟังเสียก่อนเขาจึงพูดไปว่าเอาตั้งใจฟังให้ดีจะพูดให้ฟังศาสนาก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มี ทำการงานได้แล้วก็ทำให้ขึ้นสู่รัฐบาลไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวให้แต่พอเพียงได้กินได้อยู่ทำงานให้รัฐบาลหมดให้คนเสมอกาอยาคูจะยินดีด้วยไหมข้าพเจ้าเลยบอกว่ายินดีไม่ยินดีก็ขอให้จงพูดไปก่อนอาตมาจะฟังอย่าเพิ่งเร่งเพิ่งรีบรัดมากนะเขาจึงพูดต่อไปว่าไม่ให้มีผู้ใหญ่ไม่ให้มีผู้ต่าไม่ให้มีผู้สูง ให้เสมอภาพกันหมดเงินเดือนให้เท่ากันมีความสุขเสมอกันหมดมีลูกออกมาให้รัฐบาลเอาไปเลี้ยงไม่ต้องลําบากของถ้าหากได้มาก็ให้เอาขึ้นรัฐบาลหมดไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าเป็นของให้แต่พอกินพอใจให้คนเสมอกันไม่ให้มีชั้นวัฒนะให้เป็นนายเหมือนกันหมดถ้าหากเป็นลูกน้องก็ให้เป็นลูกน้องเหมือนกันหมดถ้าจะเรียกว่าลูกน้องก็ให้เรียกว่าลูกน้องเหมือนกันหมด ถ้าจะเรียกว่านายก็เรียกว่านายเหมือนกันหมดไม่ให้มีผู้ใดเป็นใหญ่ให้เสมอกันหมดาศาสนาไม่มียาคูจะเห็นดีด้วยไหมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีท่านเลี้ยงมาเป็นเรื่องของท่านท่านเป็นผู้ทําออกมาท่านก็ต้องเลี้ยงบาปไม่มีบุญไม่มีบุญก็คือกินได้นอนหลับนั่นเองจะเอาด้วยไหมถ้าพระเจ้าเลยบอกว่าเออหมดแล้วหรืออย่างถ้าหากหมดแล้วอาตมาก็จะตอบ ถ้าอากว่ายังไม่หมดก็ให้พูดต่อไปเขาบอกว่าขอพูดแค่นี้เสียก่อนขอให้ยักรูตอบมาข้าพเจ้าเลยพูดว่าอาตมาจะถามบ้างละ่ะจะทำให้คนเสมอกันนั้นได้อย่างไรคนขาหักจะทำให้เป็นคนขาดีได้ไหมคนโง่จะทำให้เป็นคนฉลาดได้ไหมคนมีกำลังน้อยจะทำให้มีกำลังมากได้ไหมเขาตอบยอมรับความเป็นจริงว่าทาไม่ได้ ถ้าพระเจ้าจริงพูดต่อไปว่าพ่อก็เป็นพ่อเต็มภูมิแม่ก็เป็นแม่เต็มภูมิจะไปพูดว่าเสีย ว, ว่าสหายได้หรือไม่จะไม่ให้มีคุณมีค่าได้อย่างไรหน้าที่ท่านเลี้ยงมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะเลี้ยงท่านตอบท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงตอบท่าน ท, ทํากิจธุระของท่านดํารงวงตระกูลประพฤติตนให้เป็นคนรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเราต้องประพฤติอย่างนั้น เหมือนมีคนคนหนึ่งมายกมือไหว้เราว่าสบายดีหรือเราก็ยังได้ยกมือไหว้ตอบว่าสบายดีเรื่องของท่านเลี้ยงเราเราก็ควรเลี้ยงท่านตอบจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้อัตมาก็ไม่ได้เลื่อมใสด้วยถ้าพูดอย่างนั้นคนจะทำให้เสมอกันนั้นจะทำได้อย่างไรมันไม่เสมอกันดอกเอาอัตมาจะพูดให้ฟังอย่างองมีเก่งทางช่างไม้เก่งทางช่างเหล็กอัตมาเป็นเพียงทุบหิน เขาก็ไล่อัตมานี่แหละไปทุบหินองเป็นช่างไม้องค์ก็ต้องไปอยู่ล่มอยู่เงาการกินการอยู่การหลับนอนก็ต่างกันหรืออย่างต่ำองก็คงเป็นผู้คุมอัตมาอัตมาเป็นผู้ทุบหินผู้คุมนั้นก็คงจะได้อยู่ในล่มอัตมาพ่อต้องได้ทุบหินตากแดดอยู่กลางแจง้งมันจะเสมอกันได้อย่างไรคนเราพ่อก็ต้องเป็นพ่อเต็มภูมิแม่ก็ต้องเป็นแม่เต็มภูมิ แผ่นดินก็ยังมีต่ำมีสูงจะให้เสมอกันได้อย่างไรเงินห้าบาทกับเงินสิบบาทอันไหนราคาสูงกว่ากันเงินใบละร้อยบาทกับใบละบาทอันไหนราคาสูงกว่ากันเขาเลยตอบว่าเงินใบละร้อยบาทราคาสูงกว่าข้าพเจ้าก็เลยพูดต่อไปว่ามันก็มีชั้นวัชนะอยู่ในตัวมันใครไปทําให้มันก็คุณสมบัติของมันมีของมันเองดินไม่มีปุ๋ยกับดินมีปุ๋ย มันก็ยังมีคุณสมบัติต่างกันไม้ยูงกับไม้ไผ่อันไหนมันดีน้ำหนักเท่ากันไม้ยูงก็ราคาสูงกว่าคุณสมบัติมันก็ต่างกันมันก็สูงขึ้นตามคุณสมบัติของมันพ่อก็เป็นพ่อเต็มภูมิแม่ก็เป็นแม่เต็มภูมิจะไปเตะตูดว่าสหายหมดก็ไม่ได้ตัวเองโง่แล้วจะมาสอนให้คนอื่นโง่ด้วยองค์เป็นบ้าแล้วยังจะมาสอนให้อัตมาเป็นบ้าด้วยอัตมาไม่ไปด้วยนะ ถ้าหาว่าไม่มีชั้นวันณะแล้วทําไมไม่ให้สตาลินมาทุบหินบ้างละ่ะให้ทหารไปเก้าอยู่ทําไมเป็นร้อยเป็นพันเขาเลยพูดขึ้นว่าโอ้ยถ้าพูดไปแล้วขี้เจาะขี้โกงยาคูน่นี่หน้าโมโหแทๆ้ๆข้าพระเจ้าเลยพูดว่ามันถูกตามคําของอาตมานะขอให้พิจารณาดูอย่าเพิ่งโกรธเพราะมันมีที่แสงอาตมาก็เลยแสงจะโกหกได้ก็โกหกได้เฉพาะคน ง, งโง่เท่านั้น เขาก็เลยพูดว่าถ้าพูดแล้วก็ขี่เจาะขี่โกงไปตะพุตตะปืนหนีดีกว่ายากูนี่อย่างนั้นจะไปเดี๋ยวนี้แหละข้าพระเจ้าเลยบอกว่าอยากจะไปก็ไปเสียสิแล้วเขาก็เลยไปส่อแสดงให้เห็นว่าเขานั้นไปเที่ยวประกาศให้คนโง่เลื่อมใสเท่านั้นพูดถึงศีลถึงธรรมจะเลื่อมใสได้อย่างไรทำสาสิบสี่ก่อตั้งภูเจาะอนพันทัดอยู่ภูเก้าออกพันตาแล้วก็ได้ไปมุกดาหาร ไปบวชโยมพ่อตามผู้เป็นตาปะเผาแท้จริงท่านก็ไม่มุ่งจะบวชเป็นพระแต่เห็นว่าคนพอหน้าพอตาพอผืนแล้วและยังไม่เคยบวชได้เป็นพระสักทีก็เลยอบรมให้บวชจะอยู่ได้เท่าใดก็แล้วแต่กรณีส่วนตาปะเผาเทนั้นลาศึกจากตาปะเผาไปอยู่บ้านส่วนพ่อตามเมื่อบวชแล้วอุปสมบทแล้วพักอยู่ภูเก้าอีกไม่กี่วันโยมแม่ตาและคณะวงตระกูล นิมนต์มาพักอยู่ภูเจ้าพ่อทั้งหมดจะได้สามวันเจ็ดวันก็แล้วแต่มาทีแรกพักถ่ำประมาณสี่ห้าคืนญาติโยมบ้านแวงจึงปรึกษาสันว่าถ้าจะให้ท่านอยู่ถ้ำก็พับแข็งญาติโยมมาก็แออัดแล้วเขาก็ลำเลียงไปทํากระหนําหลังถ้ำปูฟ้ามงฟางขั้นฟางกว้างประมาณสองเมตรตะลีมณฑลเสาไม้กลมเท่าแข้งระเบียงไม่มีผาดบันไดขึ้นห้องนอนเลยเป็นป่ารกชัด มีต้นเปลือยโตๆสูงๆเท่าๆเป็นระยะระยะคืมต้นเปลือย น, นั้นเป็นโพรงตลอดปลายืลอดูผลต้องมีงูขึ้นคุติประจำวันมาหากินขิ่งเหลียญที่มาซ่อนตัวอยู่ตามฟางที่กันและฟ้าฟูาฟขุก ข, ขับไม่สนิดบางทีขดอยู่ใต้ตีนบาาแต่เป็นงูกระปะโดยมากงูมีทุกชนิดจนไม่รู้จักชื่อก็มีเพราะเป็นภูเขาดงตามหน้าหินหน้าผาก็มีลูมีเงื่อมขุก ข, ขับมาก เสือเหลืองเสือดำก็มีอีเห็นจมดตะกวดเสือโครง่งมีปีที่แรกแล้วก็หายไปน้มชายน้ำฉันนั้นอัตคัดมากได้หามได้ขอนปีนขึ้นเขาไกลประมาณยี่สิบเส้นปีที่สองน้ำใกล้เข้ามาบ้างประมาณสิบห้าเส้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่คุมได้ไปตักห้วยคออันไกลยี่สิบเส้นอยู่ฤดูฝนเดือนเก้าเดือนสิบพอทเนาบ้างเพราะได้ตักเอาน้าไหลใต้หินหน้าผา ลูกๆห ล, ลานๆเขาก็ตักช่วยด้วยแต่ผู้หนักกว่าเพื่อนก็คือนางวาลินนางสมัยนางใสและลูกๆห ล, ลานๆอื่นๆสารพัดละเนนจะปล่อยให้เขาหมดก็ไม่ได้อีกต้องตักเป็นหลักไว้ประจําวันแบ่งเบากันถ้าพระเจ้าไปดินทะบทัดคอนปีบไปพร้อมครได้น้ําเต็มปีทาไม้ก่อนให้หนักข้างหน้าให้สามเณรอินถวายรับบาดแล้วก็อครนน้ำห ม, มาพร้อมมิให้เสียเที่ยวสามวัน กวาดหนทางบินธบัดจนถึงห้วยคอคราวหนึ่งเพราะงูกระปะมากนิชนั้นต้องเหยียบเวลาไปบินธบัดถ้าวันไหนถูกกวาดหนทางต้องเอาปี๊บไปวางไว้เป็นตอนๆกวาดไปถึงปิบบงป๊บกับไม้ก่อนแล้ววางตาดไวเอาปิ๊บกับไม้ก่อนไปไวทข้งหน้าอีกกลับมาเอาตาดกวาดต่อไปถึงปี๊บและไม้ก่อนอีกเป็นระยะระยะจนถึงที่สัดน้ําสงแล้วตัดเอา น, าอน้ําก่อนขึ้นเขา อตราดทับข้างบนไม้คอนบ่อที่ขุดนั้นบ่อหนึ่งลิมห้วยคอคอไผ่แม่ลาบ่อที่สองลิมห้วยคอข้างสวนพ่อปลีแม่ธนูสิงและแม่ขัดสาเป็นผู้ขุดบ่อที่สามบ่อสารวัตรสำเนียงไกลกว่าบ่อห้วยคอบ่อที่สี่บ่อใกล้นาพ่อสงวนอีกแต่ไม่คุ้มปีบ่อที่ห้าทำนกสะพานห้วยสันของพ่อนานสงสงวนเขาให้สงและล้างบาท แต่พอถึงเดือนม ก, กราคมข้อแห้งเสียบ่อที่หกขุดบ่อใต้สานบนของพ่อนางสังวนก็ไม่คุ้มปีอีกบ่อที่เจ็ดขุดบ่อนานายเนิดก็ไม่คุมปีบ่อที่แปดขุดและเจาะหญินใกล้ศาลาสันอาหารพอได้ล้างบาตรแต่พอเดือนกุมภาพันธ์ก็แห่งเสียได้วันละปีทั้งขุ่นทั้งเป็นตุ่มก็ไม่พ้นหากคอนมาจากเมื่วยคออีกในฤดูเดือนสามเดือนสี่เดือนห้ามีปัญหาว่า เป็นบ้าดอกหรือจึงไปยอมเป็นยอมตายอยู่ที่อดน้ำแช่แฉพระนิพพานอยู่ที่นั่นแห่งเดียวหรือที่อื่นมีที่ปฏิบัติถมไปภาคอีสานกว้างขวางมากจะมาเขียนเล่ากินสมบัติอะไรมันได้ผลอะไรตอบว่าจริงอยู่แต่ผลของกรรมเหล่าเมื่อสร้างไว้แล้วใครๆย่ำบิดพลิวไม่ได้ถ้าบิดพลิวได้แล้วคุกตรางก็ไม่ต้องมีการท่องเที่ยวในสงสารสร้างบารามีก็ไม่มี มีแต่นิพานสิ่งเดียวเท่านั้นเป็นเอเย่นอยู่บุคคลผู้จะถึงสุขโตได้ก็ต้องผ่านทุกขโตมาเต็มที่ก่อนนีฉะนั้นการเข็ดลาบในสงสารก็ไม่ชัดได้ฉะนั้นจึงมีทุกขาปฏิปทาทันทาพินยาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้จ้าทุกขาปฏิปทาขิบปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รูได้เร็วส่วนสุขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็วสุขาปฏิปตาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้จาเนื่องด้วยกรรมและผลของกรรมต่างกันสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมขั้นต่อมาคุณศรีลาอินทวังโสได้เอาแทงน้ํามาให้สองลูกพอได้ใส่น้าไว้ฉันถึงกันนั้นก็ยังไม่พ้ไปตักน้าห้วยคออีกอยู่มาล่านสมศักดิ์ศีนิคมคำสร้อย ได้สร้งางถังน้ำคอนขีดขึ้นสามถังกว้างสองเมตรสูงสามเมตรก็เบาลงบ้างพุติอีกสองหลังพล้อมทั้งลงไปก็รู้สึกเบาไปบ้างแต่ฤดูเดือนห้ายังได้ไปตักน้ำห้วยพออยู่บ้างและก็ถังอิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงหนึ่งเมตรกว่ากว้ายาวประมาณเมตรกว่ากว่าแต่ทุกวันนี้ประชาชนทางใกล้ทางไกลเมตตาสงเคออะไรต่ออะไรก็พอแบ่งเบาขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเป็นที่โลของภาคอีสาน ในทางอัตะคับทรมานอยู่ทุกๆด้านด้านจับเย็บผ้าคุณศรีลาหามาไว้ให้ใยกว่าสิบปีแล้วสะพานข้ามห้วยคอคุณศรีลาก็พ า, าญาติโยมสร้างขึ้นให้เพราะเจ็ด่อนไต่ขอนไมย้ยางอยู่แปดปีพระอาจารย์จยันก็ามาช่วยเมตตาสงเคราะห์อะไรต่ออะไรด้ว ย, ยาญาติโยมทางบ้านแวงบ้านบุปึ้งบ้า น, า น, านโคกตลอดหนองสูงใต้บ้านเหล่าตลอดถึงหนองสูงห้วยสาย ต่างก็ได้ช่วยเหลือตามส ต, ติกำลังแต่ละท่านแต่ละคนเท่าที่สามารถและเท่าที่ศรัทธาจะพัฒ น, นาไปเป็นท่านท่านคนคนก็ขเขียนไม่ไหวส่วนสาลาแม่ออกรักษาศีนั้นภูชาลีพักคนและนายถนอมวงสเสน่หเป็นผู้ลิเริ่มและศรัทธาขึ้นส่วนสาลาในปัจจุบันและขังน้ําใหญ่สี่ถังเป็นส่วนรวมทั้งพระทั้งเนีทั้งญาติโยมสารพัดต่างวัดต่างจังหวัดที่มาเที่ยวมาเจอเข้า ก็ช่วยกันไม่ขัดไม่ดูใดายสำหรับผู้เขียนมีได้อะไรเลยได้แต่เขียนเท่านั้นได้อะไรมาสู่สำนักได้ด้วยเดชพุทธธรรมสงฆ์และครูบาอาจารย์และสัพพมัจารีพิษุสั ม, มเนนและธรรมญาติโยมใกล้ไกลพร้อมทั้งพุทธบริษัทของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใกล้ไกลเรื่องถังน้ํำฟันขีดไม่ว่าขุดสร้างก่อนและตอนหลังล้านสมศักดิ์ศีนิคมคำซ่อยต้องเป็นภาละจีปาถะ ชาวรถและญาติโยมบ้านแหวงและบ้านเป่าก็เข้าแบบหามช่วยเหลือทางบ้านเราผู้ใหญ่กองและลูกบ้านก็ช่วยเอาทรายมากกว่าพันปีบผลขึ้นใส่รถเข็นตลอดครูและนักเรียนตำบลหนองสูงใต้ทุกๆโรงเรียนขนจากตีมเขาขึ้นบนภูอย่างโกลาห์หนอ น, อนลมันขอขอบคุณทุกๆ ท, ท่านทุกๆวัยไว้อยู่โดยทุกเมื่อด้วยท่านผู้ใดทําด้วยศรัทธาน้อยและมากด้วย พุทธคำสงฆ์จงได้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทําน้อยและมากทุกทั่วนหน้านั้นเถินผู้เขียนย่อมยินดีพอใจแต่ละท่านแต่ละท่านทั้งนั้นเพราะยุคผู้เจ้าก็เป็นยุคอายุายไวขวัยแก่ของข้าพเจ้าที่ได้ท่องเที่ยวมาในสงสารพร้อมทั้งเป็นยุคอัดตคัดทุกประเภทคมนาคมก็ไม่สะดวกขึ้นเขาลงห้วยขุกขักวัตถุนิยมก็ราคาแพงสูงขึ้นทวี บรรดาท่านชาวพุทธในประเทศไทยก็ดีหรือนอกประเทศก็ดีนับแต่ข้าวเม็ดหักผักเส้นหนึ่งก็ดีโดยข้าพเจ้ารู้ตัวก็ดีมีได้รู้ตัวก็ดีคิดเป็นราคามูลค่าแต่สตางหนึ่งขึ้นไปก็ดีได้ร่วมกุศลผลบุญกับข้าพเจ้าด้วยกําลังกายกําลังวาจาด้วยกําลังใจขณะจิตเดียวก็ดีด้วยเดชพุทธธรรมสง์จงพินโยยิ่งยิ่งจนถึงที่สุดทุกขโดยชอบทุกท่วนหน้า ทั่วทั้งไตรโลกาอยู่ทุกเมื่อเถินแม้จะได้ร่วมหรือมิได้ร่วมก็ตามแพรอปมัญญาไปทั่วทั้งไตรโลกาผูกคาดอยู่ทุกเมื่อและละลึกได้หรือไม่ละลึกได้ก็ดีเป็นอธิษฐานปารมีสัมปันโนเป็นสัจจปารมีสัมปันโนผูกคาดจ้องขาดอยู่ทุกเมื่อแลนิพพานังในชาตินี้เถิน